สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากรีบานนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวพระยซูตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคนรวยกับคนจนสามภาคปฏิบัติพระเนะของพระเจ้าก็อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบหกนะครับมีสองเรื่องราวซึ่งเป็นขบวนมาของพระเยซูที่ตัดสอนสาวกของพระองค์อุปมาเรื่องแรกในบทที่สิบหกที่เราเรียนไปแล้วก็คือเรื่องคนต้นเรือนสัตว์ และนเรื่องที่สองก็คือเรื่องเศรษฐีกับลาซาลัสพี่น้องครับนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างคนรวยคนจนในขณะเดียวกันพูดระหว่างคนที่มีความชื่อสัตว์กับคนที่ไม่ชื่อสัตว์พี่น้องครับในเรื่องของคนต้นเรือนอาสังนั้นหลังจากที่เบียโซจงส่งจบทำอุปมาแล้วโปร่งทรงประยุกต์ทมสอนหรือการนำไปใช้ในภาคปฏิบัตินะครับ ว่าผู้ที่ต้องใช้ชีวิตยอยู่กับผู้ที่ไม่เชื่อในโลกนี้หรือคนของโลกนี้ก็คือว่ามีสาประการครับประการแรกพวกเขาควรใช้เงินและจรับสมบัติของเขาเพื่อนำคนให้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าครับเราจะต้องใช้เงินและจับสมบัติของเราเพื่อจะนำคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าดีกว่าที่เราจะเก็บสะสมเงินของเราแล้วก็เราตายไปเราเอาไปไม่ได้ประการที่สองก็คือว่า เราจะต้องเป็นคนที่สั kc ือในการใช้เงินจำนวนนะครับเล็กน้อยเราต้องเป็นคนที่สับซื้อในการใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อจะได้เป็นที่วางใจไว้วางใจจะดูแลในจำนวนเงินที่มากขึ้นไปอีกี่ณลองครับเวลาที่เราสังเกตนะครับว่าเราจะใช้ใายได้ในระยะยาวเราจะสามารถสังเกตได้โดยที่ว่าเขาสั k ซือในของเล็กนะครับหรือเปล่า คนที่สับซื่อในของเล็กน้อยก็จะสับซื่อในของมากด้วยคนที่อาศั์ในของเล็กน้อยก็จะอาศั์ในของมากด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องดูใครนะครับดูให้ยาวนะครับดูเรื่องเล็กๆของเขาครับเขาสับซื่อไหมครับถ้าเขาสับซื่อเราก็สามารถที่จะมอบงานใหญ่คับเขาได้ประการที่สามครับเงินนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าพระเจ้าครับเงินไม่ใช่พระเจ้านะครับเงิน ไม่สําคัญไปกว่าความจงรักภักดีในพระเจ้าเพราะฉะนั้นในคำอุปมาเรื่องแรกเรื่องคนต้นเรือนสัตว์อาศรมนี้ควรจะท้าทายแล้วว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นจำเนินขึ้นโดยการใช้ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้ามอบให้กับเราดูแลนครับใช้ทรัพย์สมบัตินั้นได้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตหนีทีเหนียวไม่ต้องเสียดายการใช้ทรัพย์สมบัติเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือ ในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานของคนอื่นๆช่วยเหลือที่สนับสนัสนบสนุนหรือตอบสนองต่อความต้องการของเขาคนต้นเรือนั้นดำเนินแผนการของเขาในทันทีครับเพื่ออีกเลี่ยงวิกฤตการทาง่างการเงินเดรครับแต่ครั้งทีเดียวเรามักจะเอาเงินของเราเก็บไปนะครับเมื่อมีเสียงเรียกร้องให้เราถวายเราลับไม่ถวายเพราะอะไรครับเพราะเราคิดว่าถวายไปแล้วไม่คุ้ม อย่าไปคิดเรื่องนี้นะครับในการลงทุนกับพระเจ้าแน่นอนครับการลงทุนกับพระเจ้านั้นมีความคุ้มค่าเสมอในขณะเดียวกันครับให้เราลงทุนหรือเมื่อเรามีเงินให้เราลงทุนครับอย่ารอให้เราไม่มีเงินก่อนอย่าให้รอให้เราจนหรือว่าอย่ารอให้เราเจอวิกฤตการทางด้านการเงินแล้วเราก็บอกว่าโอ้เสียดายนะตอนนั้นน่าจะถวายพี่น้องครับพอร์สีตอบสนองต่อทําอูมาเรื่องคนต้นเปลือกอสซัปนี่ยังไงครับ เขาไม่ไดตอบสนองตามที่พระเยซูต้องการครับเขาย่ะเยะ้ยพระเยซูคนส่วนใหญ่รู้จักพวกเขาดีครับว่าเป็นคนที่รักเงินรักหน้าตานะครับเพราะฉะนั้นบางคนในพวกเรานี้อาจจะเป็นคนที่รักเงินรักหน้าตาในการเดีกันครับต้องการให้คนอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะประจบเพื่อที่จะ ย, ยกยอตัวเองบางทีพวกเขาอาจจะประทับใจในการกระทําของคนต้นเรืองแบบนั้นก็ได้นะครับพี่น้องครับ เียตูทรงเล่ากับอุมาเรื่องนี้เพื่อจะทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราควรจะใช้เงินอย่างไรนะครับและเดี๋ยวเราควรที่จะสัตซอในของเล็กน้อยในการเดียกันครับเพราะต้องเอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งอย่าให้เงินกลายเป็นพระเจ้าพอามาถึงเรื่องเศรษฐีกับลัทธินะครับพี่น้องครับเราจำได้นะครับว่าเศรษฐีนั้นเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพวกปริสีพวกเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์ พวกเขาไม่เชื่อเรื่องการอสุจิและหมายสาคัญที่เบียสูทำพวกเขาเชื่อฟังธรรมบัญญัติแตกกับปฏิเสธผู้ที่มาทําให้พระบัญญัติหรือธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์คือองค์พระเยซูคริสต์เรารู้นะครับว่าเศษตรษฐีถูกตำหนิไม่ได้เพราะความมั่งมีของเขาแต่เพราะว่าเขาไม่ได้แบ่งปันให้กับคนยากจนอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนในแต่ินสวรรค์เหมือนกันครับคนยากจนนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความเชื่อครับพเบียซูต้องการให้พวกปริีหรือว่าท่าทีและการรับใช้ การกระทำของเขาเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็มีความสาคัญพี่น้องครับไฟนะครับจะเป็นตัวที่พิสูจน์ให้เห็นทุกสิ่งให้เห็นการงานนะครับเพราะไฟเป็นตัวทำละครับการงานของใครหรือชีวิตของใครที่ก่อขึ้นมาอย่างไรนั้นจะทนอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานนั้นก็ต้องดูครับในที่สุดเพราะว่าคนคนนั้นที่ไม่มีอะไรเลยนะครับ การงานเขาก็จะถูกเผาไหม้ไปเขาขาดผ่าตอบแทงแต่ตัวเขาอาจจะรอดแต่เหมือนรอดจากไฟพี่น้องครับสมมติว่าถ้าเราได้รับหรือหาเงินได้เป็นจำนวนมากครับเหมือนกับส้มหลนครับเหมือนกับน้ำขึ้นฮนะเมื่อเราตัดขึ้นมาได้แล้วการตอบสนองหรือท่าทีประการแรกของเราในฐานะคนอารักขาที่ฉลาดควรจะทำไงครับ แน่นอนครับเราควรจะสำนึกแาตระหนักว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องคืนสิบลดให้พระเจ้านะครับผมใช้คาว่าคืนสิบลดเพราะสิบลดนั้นเป็นของพระเจ้านะครับสิบลดไมนไม่ใช่เป็นเงินถวายนะครับสิบลดนั้นเป็นเงินของพระเจ้าต้องคืนครับนะเราก็นำไปคิดเสียนอาจจะใช้คำว่าถวาย นะครับนําไปหม้อให้กับพระเจ้าครับนะครับแต่นั่นไม่ใช่เป็นการถวายนะครับแต่เป็นการคืนพี่น้องต้องจําหลักนี้ดีๆผู้รับค่าที่ดีนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออย่างฉลาดครับเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะครับถ้าเราถวายมากกว่าสิบลบหนึ่งหรือสิบจักหนึ่งหรือถ้าสางเมื่อไหร่นั่นแหละครับ เราถึงเรียกว่าเป็นการถวายที่แท้จริงนะครับประการต่อไปก็คือว่าสมมตินะครับว่ามีบางคนนะครับให้เงินท่านหนึ่งล้านบาทหรือสิบล้านบาทก็ได้ครับหรือสําหรับคนรวยสมัยนี้ก็จะสักร้อยร้อยล้านบาทก็ได้นะครับเพื่อให้ท่านทําในสิ่งที่ท่านต้องการท่านอยากจะทําอะไรครับผมเห็นบางคนนะครับ ผมคอยแบบประเมินได้เขามีเงินเยอะอยู่จะถามว่าเขาได้ถวายเงินนะครับนอกเหนือจากสิบรถแล้วหรือยังผมรู้ว่าบางคนก็ยังถวายไม่ถึงสิบรถครับยังคืนคืนภาษีไม่ได้ถึงสิบรถครับคืนภาษีหมายความว่าคืนให้กับพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เราหลายจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ให้เราเป็นคนต้นเรียนที่ดี คนต้นเรือนั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบใช้ใจทรัพสมบัติของนายอย่างเฉลียวฉลาดใช้ใจทรัพสมบัติของนายอย่างคุ้มค่าที่สุดพระกมปีสอนให้เราเป็นคนต้นเรือนที่ดีเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งเล็กเล็กน้อยและในที่สุดเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องครับหลายหลคนนะครับอยากจะเป็นใหญ่แต่ไม่ค่อยรับผิดชอบครับพี่น้องเราสามารถเป็นคนต้นเรือนที่ดี ในการดูแลแผ่นดินของพระเจ้าได้นะครับเราสามารถเป็นคนที่ต้นเรือนที่ดีที่จะดูแลที่ระดับของพระเจ้าในลักษณะของการเก็บเศษขยะในโบสถ์ครับทําบสให้เรียบร้อยเป็นคนที่ดูแลใจใส่หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินก็ได้นะครับเราก็เป็นคนต้นเรือนที่ดีได้ขอพี่น้องได้รับการส่งนำ้ำรับการนับสนุนใจจากพระเจ้า ในคช้าวันนี้ได้ความเชื่อที่สอนเราเกี่ยวกับธรรมะข้อสมบัตินะครับเราจะต้องมีท่าทีต่อข้อสมบัติความร่ำรวยอย่างไรขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้ทุกท่านได้รับพระพรของพระองค์อามน